อ่าลําดับต่อนี้ไป มีบทหนึ่งว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะสาวัง 15 มีบารมี 10 สมบูรณ์แบบ 4 สมบูรณ์แบบแล้วก็มี แต่ตัวครูบาอาจารย์ท่านแต คือในพระวินัยปิฎกนั่นเอง ในวันต่อมาแล้วก็เลิกลักเลิกขโมยไอ้ อย่าลืมว่าแสดงแล้วถึงแม้ว่าถ้า <c oughs> ท่านจำบรรษาอยู่ยนต์บนยอดภู นี่ตอนนี้ท่านเจ้าคุณนี่ท่านกล่าว <c oughs> เปรตมีรูปร่างเป็นศักขิคมานาเปรตมี อาภรณ์ทั้งหลายเหล่านี้ทั้ง มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสท่านได้กล่าวเวลาคุยกันยิ้มก็ยิ้มอีกอย่างหนึ่งนี้ บางทีพวกเราจะคิดๆ <c oughs> ภาระขณะซึ่งเป็นเพื่อนกันเดินไปด้วย <c oughs> โปรดพุทธบริษัททั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสมณเณรสมณเณรีนาง 18 รักษาศีล 18 แล้วเป็น 6 อย่างเคร่ง ถือว่าผิดนิดเดียวให้ <c oughs> <c oughs> ในเวลานั้นพระมหาโมคคัลลาจึงได้ เออก็ดิ้นร้องที่เครื่องไปนั้น ในกายก่อนบรรดาเปรตทั้งมี แต่ความจริงมนุษย์เค้า แต่กล่าวว่าในที่สุด ตั้งใจอุปสมบทบรรพชาเป็นภิกษุ ที่ชายท่านพระกบิลตัว เมาความดีถึงที่สุด เห็นองค์สมเด็จพระชินสีทรง เคร่งคัดมัธยัสมีระเบียบเป็นอัน ก็เลยละเมิดมนดะตั้งแต่สังฆาดิเสทสังฆาดิเสทนี่ <c oughs> อย่างที่พระถือกันเวลา การประพฤติตามพระธรรมวินัยพระธรรม เรเราก็จําเป็นจะต้องรับรับ ซ้ําแซมคุณดีวิหานสงเคราะห์คนป่วยไข้ เวงยตมีอารมณ์ 4 ขาด 10 ขาด 15 ขาดพรหมวิหาร 4 แล้ว 4 รวมความ จึงเห็นว่ามณีทั้งหมด ก็ต้องไปไหม้อยู่ในนรก จึงต่อมาเกิดเป็นเปรตอยู่ เป็นภาพของสัมมเนรีคือ อันนี้เวลาก็ ได้สร้างอารามถวายชนทั้งหลายต่างก็มีความยินดีที่ ก็พากันบำรุงพระภิกษุต่างๆนะๆ ด้วยคิดไขว้เผื่อไปว่าลาภสการะ จึงคิดว่าถ้าอย่า กล่าวๆนานาความจริงพระคันธุกะองค์นี้เป็น ขึ้นได้ฟังภิกษุของตน โดยอํานาจแห่งอกุศลกรรมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นบิดา แล้วอกัสสาวกพวกพุ่งเป็น นี่ท่านเป็นใครโผล่ขึ้นมาจาก เป็นโลกนี้นี่ท่านพระมหา ข้าพเจ้าเป็นคหบดีผู้มีทรัพย์มากมีภิกษุรูป ที่เรื่องของพระพุทธเจ้าหาว่า ก็วิสุทธิเจวาทที่เข้าไปสู่ตน เธอมาเกิดเป็นเปรตในหลุม คือทายอุจาระรัพพัสวะมาไอ้ ก็มีใจกรุณามีใจกรุณาแต่แต่ว่าไม่ อย่าถือเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องกันตัว มีอยู่แล้วอยู่แล้วนี่เป็นกระแส จงเป็นผู้มีสติใช้ปัญญา 1 จรณะ 15 ต้องปฏิบัติ 2 บารมี 10 ต้องมี 3 อิทธิบาท 4 ต้องมี 4 พรหมวิหาร 4 ต้อง 5 6 สูง 7 เห็น 5